พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าวางแผนให้จิตใจวันนี้เป็นวันที่8 รกรกฏาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันอุโบสถและเป็นวันอาสาระอาสาระบูชาเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถของพระอันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันตเตรียมพร้อม ที่พวกเราส่วนออทุดงควัตบินทบาทเราก็ตั้งฝึกซ้อมแต่วันพุ่งนี้แหละเป็นต้นไปแต่วันพุ่งนี้ยังไม่ใช่นะออยังไม่ใช่เราถือถือธุดงเพียงแต่วันออสอบซ้อมเออตรียมพร้อมวันพนุ่งนี้แต่เมื่อตอนเย็นเราอธิษฐานพันสาแล้วนั่นแหะแปลว่าจริงลแล้ววันลุงขึ้นมา ตั้งแต่วันแรมสองข้ามเป็นต้นไปจนถึงวันเดือนสิบเอ็ดเนเป็นวันออกพรรษาอันนี้ ค, คือเราต้องบอกกล่าวกันเอาไว้นะพระองค์ในที่จะจำพรรษากัต้องอกตั้งใจแล้วก็ผูที่ สาธยายพระปฏิโมกข่าสาธยายได้แล้วกันะฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมได้แล้วก็ขึ้นเลยขึ้นมาสวดเป็นรุ่นรุ่นไปใครจะขึ้นมามันก็เป็นบุญเป็นกุศลสาหรับตัวของท่านเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราได้สวดพระปฏิโมกข์บทอาบัติของพระสงฆ์ทั้งทั้งหลายทั้งปวง มันเป็นบุญกุศลนั้นไม่ใช่เราสวดธรรมดาเพราะนั้นผู้ที่จะควรจะสวดได้ก็ให้เร่งเข้าสวดปฏิโมกให้ได้ฝึกซ้อมให้ได้ให้ถูกให้ อ, อุกอคระนะแต่ไม่ถูกอัคระไม่ดีเป็นที่ตำหนิออกจากวัดเราไปแล้วออก็ไปสวดที่อื่นไปถูกอัคระเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นให้ถูกอัคระในการสวดนะ และให้พวกเราพระเนรพระทุกองนะให้ตั้ง อ, อ ก, ต, งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรักษาวินัยรักษากฎระเบียบการอยู่ด้วยกันหลายหองค์ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอยากจะให้พวกเราเป็นพระที่ดีเป็นพระที่มีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง ในเมื่อเราอยู่ในศาสนาไม่ได้แล้วว่าเรามีกำหนดที่จะลาซิขาสมัยเมื่อเราเป็นพระเราก็ทำตนเป็นพระที่ดีในเมื่อออกไปเป็นกราวาสก็เป็นคราวาสที่ดีเป็นคราวาสที่มีคุณธรรมศีลธรรมเรานึกย้อนหลังเมื่อไรเราก็ภาคภูมิใจในขณะที่เรามาเป็นพระในวัดของหลวงพอ่อ เราเมื่อออกไปเป็นคราวาส อ, อีกส่วนนึ่งเราก็ทำหน้าที่เป็นคราวาสในขณะที่เราเข้ามาเป็นพระในอยู่วัดเราก็พร้อมที่จะนึกย้อนหลังนึกย้อนหลังที่ผ่านๆมาที่เราก่อนที่เราจะเข้ามาสู่วัด เ, เมื่อนึกตูแล้วก็มาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เราก็คิดนึกนึกคิดนาวางแผนในอนาคตอีก ในเมื่อเราลาสิขาไปแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรที่ผ่านผ่านมาเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดบอดเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดที่ดำเนินการที่เจริญทำไหนในช่วงไหนใจของเราที่มันเหี่ยวแห้งหดหูอับเฉาแต่ช่วงไหนจิตใจของเราเบิกบานเรือกว่าจิตใจของเราได้รับการศึกษาแล้วก็ได้รับ ผลแห่งการดําเนินชีวิตของเราด้วยความผาสุกในช่วงนั้นจะถูกแล้วก็คือช่วงไหนเป็นช่วงที่เมื่อดมัวหรือมือดบอดหรือมือดหมัวสุดไหนที่จิตใจของเราได้รับความรับแสงสว่างแต่เมื่อออกไปนี้เราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรในการประพฤติของเราสํารวมกายวาจาของเราอย่างไรให้เป็นมุ่ผู้มีศีลอย่างไง ตัวไหนที่มันหนักตัวไหนที่มันควรจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นพวกเรามาอยู่สามเดือนแปลวันมานั่งวางแผนชีวิตตลอดชีวิตของของเราอย่างนั้นก็จะดีนะผลูกพหลานนะเออเรามานั่งวางแผนสามเดือนแต่จะเราจะวางแผนจนอายุถึงเจ็ดสิปดสิบเก้ปีเราจะวางแผนยังไงนี่แหละ ไม่ใช่ว่าเรามาแล้วก็อยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะต้องวางวางแผนชีวิตของตนเองไว้ปีนั้นปีนั้นอายุเท่านั้นเป็นยังไงนี่แหละคือสมัยเมื่อเราเป็นอย่างน้อยหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เราก็พยายามหาเตียนวิชาความรู้ให้ทีท่วนให้ได้ ในเมื่อเราจบวิชาความรู้แล้วเราก็ไปทําการทํางานในช่วงที่ทําการเราก็หยัดทําการทํางานแล้วก็เกี่ยวหอมหลอมเล็บในเมื่ออายุห้าหกสิปีในช่วงนั้นแปลว่าน่าจะลาลาว่างมางวางวางมือได้แล้วนะทีนี้นะ เ, เริ่มจะกินผลงานของตนเองละออพอถึง 70-80 ปีไปแล้วกันนะกินผลงาน ใช้ผมงานของตัวเองเราก็ทำงานไปบ้างแต่กินผลงานเก่าของตนเองที่เราเก็บหอมหลอมริบเอาไว้จากนั้นเมื่อแก่กว่านั้นไปเราก็ทำงานไม่ได้มีแต่กินของเก่าของตนเองนี่แหละการวางแผนชีวิตของเหล่านะมันต้องคิดนะไม่ใช่ว่าคิดแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปเป็นละวี่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีไปไม่ได้คิดถึงอนาคตถ้าเป็นอย่า ง, งานั้นแปลว่า เราไม่วางแผนอนาคตเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเรารับไม่ไหวเลยมีแต่ความทุกข์ยากลําบากแะทุกขระทมในจิตใจแต่ใครเราจะช่วยเราได้ในจุดนั้นเพราะว่าตัวเองไม่ได้คิดวางเอาไว้สิ่งเหล่านี้ให้พวกพระลูกพหลานทุกคนนะชีวิตขนาดหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองก็ยังวางแผนชีวิตของตนเองเหมือนกันนะพระลูกพหลานนะ แต่อยู่ในใจของหลวงพ่อเหมือนกันการวางแผนถ้าเราตายง่ายแจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ตายง่ายแล้วเป็นยังไงถ้าเราเอาอยุยืนมากๆทําให้ตายง่ายเราจะเป็นยังไงนี่สิ่งเหล่า น, นั้นเราก็ต้องได้คิดคิดไว้เหมือนกันถ้าเราไม่คิดไว้มันจะเป็นหนักหนักอกหนักใจสําหรับคนที่มาเกี่ยวข้องเราถ้าว่าเราไม่คิดวางแผนไว้ อันนี้คือวางแผนชีวิตการวางแผนทางด้านจิตใจอีกต่างหากทีนี่วางแผนในทั้งเมื่อเราขนาดนี้เราไม่ควรชลาใจเราควรจะเร่งความภาคความเพียรหามักหาผลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราในเมื่อใจิตใจของเราในใต้ระดับหนึ่งเราก็ออมองวางในระดับหนึ่งจนถึงอายุมากแล้ว เ, เราก็นั้น ทรัพสมบัติภายในใจของเราบริบูรณ์แล้ว เ, เราก็ภาคภูมิใจในทรัพย์สมบัติถึงร่างกายจะเป็นยังไงความเป็นอยู่จะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้คิดเลยเพราะอะไรเพราะใจของเราถึงจุดจบถึงมักถึงผลแล้วตามที่เราปรารถนาแล้วอันนี้ทางด้านจิตใจเราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะแต่ตามที่จริงการวางแผนทางด้านจิตใจมันต้องเหนือกว่าการวางแผนของ การเป็นอยู่ของร่างกายนะร่างกายเนะี่ยทึ้งยังไงก็เถอะนะแต่มันไปก็ไปตามสภาพของมันแต่จิตใจของเราเนะี่ยถ้าเราไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจนะเราจะเป็นนะตกเป็นอะไรเป็นสร้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งที่เราเกิดมาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มีแต่ท่านสอนให้ในทางที่ดีๆทั้งนั้นท่านไม่ไดสอนในทางที่ชว่วย้าเสียหายเลวเลวทามนะมีต่สอนให้พวกเราเป็นพระพระที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเราอ่านดูซิเอาศึกษาดูซินะเพราะนั้นเราก็ควรจะวางตัวของเราเราจะเดินยังไงเราจะทํำยังไงสรุปแล้วก็คือให้ เราจะต้องให้คิดดีที่สุดทำดีที่สุดพูดดีที่สุดในขณะที่เรายังมีสัมปสติสัมปชัญญะอยู่นี่นะต่อไปเท่าแกชราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นงง ง, ง, ง, ง, ง, งานตามอายุสังขารแต่ทำยังไงได้พรามันไม่ตายจะฆ่าตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องจะอดอาหารก็ไม่ใช่เรื่องแล้วก็ต้องทานอาหารตามาตามอายุสังขารไป จนถึงจนกว่ามันจะถึงจุดจบนะจุดจบของชีวิตนะนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะแต่ถึงยังไงก็ชีวิตนี้้องต้องถึงจุดจบแนะ่ไม่เป็นอย่างอื่นก็ขอให้พวกเราเป็นจุดจบก็จุดจบที่มีคุณภาพมีคุณรรธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธเป็นคนแก่ก็เป็นคนแก่ที่มีคุณธรรม เป็นคนหนุ่มก็มีคุณหนุ่มมีคุณธรรม อ, อยู่ในกลางปูนกลางคนก็เป็นปูนกลางคนที่มีคุณธรรมนี่แหละคุณธรรมถึงยังไงก็อยู่ได้ให้อยู่ในคุณธรรมคุณธรรมศีลธรรม จ, จริยธรรมที่ดีนี่แหละถ้าเราอยู่ในสถานที่ใดลมเย็นเป็นสุขนะสบายอกสบายใจทุกแห่งขนนะลูกหลานพระเนรนะถ้าเป็นลักษณะอย่งางงั้นนะถ้าเราทําไม่ถูกแล้วนะ ถ้าทำไม่ถูกวางแผนไม่ถูกผลในสุดนะไปในไปอยู่ในจุดที่ไม่พึงปราถนานะทุกในจิตในใจเกิดมาทั้งทีชีวิตเสียชาติเกิดนะถ้าเป็นลักษณะนั้นว่าเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่สมความมุ่งมาตนปราถนาเพราะเราดำเนินดำเนินชีวิตผิดวางแผนไว้ผิดนะเพราะนั่นก็ให้พวกเราทุกถูกท่านนะ การมาบวชในพุทธศาสนามาบวชในวัดป่าเราจะพยายาไปมุ่งหวังอะไรนะมุ่งหวังคุณงามความดีหวังบุญหวังกุศลแล้วก็เนี่ยทำจิตใจให้เน่งทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเน่งสงบแล้วนะเราจะมองเห็นอะไรได้ลหลายอย่างจากนั้นเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะพิจารณาทางทำคำคําสอนของพุทธวิปัสสนาแล้วก็การกรองไต่ตรองดูได้ ดูร่างกายสังขารเนี่ยตายแน่นะบอกใจเจ้าเองตายแน่นะใจนะร่างกายเนี่ยพัดผักแน่นอนพักพัดผกักพัดผักจากตัวของเราแน่นอนนะใจนะไม่เป็นอย่างอื่นนะอีกสักวันหนึ่งไม่ช้าหรือหรือเร็วเท่านั้นแหะเร็วหรือช้าเท่านั้นแ่ะแต่ต้องพัดผกักที่ต้องพัดผักแน่เพราะร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะพิจรารณาดูสิเหตุแม้คนอื่นเขาตายไปแล้ว ปูย่ย่าตายายวงสาคณะญาติของเราเผาไป่ร้ว่ากี่คนฝังไม่รู้ว่ากี่คนเห็นกระดูกของเขาไม่รู้ว่ากี่คนแต่เขาไม่เห็น เ, าเขาพูดตายแต่เราอยู่เบื้องหลังเนี่ยเราเผาเราเห็นกระดูกเขาแหล ะ, เ, ะเราก็เหมือนกันถ้าเขาเผาเขาคนพูดพูดที่อยู่พูดที่อยู่เบื้องหลังเขาจะเห็นกระดูกเราอีกเหมือนกันเอเพราะนั้นตายแน่ในชีวิตนี้แต่ว่า เนี่ยแหละของพุทธศาสนานตายแล้วไม่สูนะ่จุดนั้นให้ศึกษานะเพราะฉะนั้นพวกเราจะศึกษาทีนะพอเมื่อพิจารณาก่อนตายนะหล่อนก่อนที่เราจะตายเนะีเราต้องพิจารณาตัวของเราก่อนว่าร่างกายสังขารนะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถึงจุดจบจากนั่นก็นมาพิจารณาถึงตัวใจตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมใจเอ้ยใจอย่าไปหลงว่ามีความสุขเรองในโลกนะี้ อย่าไปหลงในราบนะอราบสักการะอย่าไปหลงในการเป็นอยู่ราบอย่าไปหลงในยศนะอย่าไปหลงในสรรเสริญของเขาเยินยอนะอย่าไปหลงนะแต่ขนาดร่างกายตัวเองแท้แท้ก็ยังไม่ใช่ตัวตนราบยศสรรเสริญสุขเหล่านั้นจะเป็นตัวของเราได้ยังไงอย่าหลงน้าใจนะให้รู้เท่ารู้ทันนะใจนะในะี่เรามาร้อนย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจในเมื่อใจไม่หลงใจ ใจรู้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจปล่อยวางในสิ่งที่ควรจะปล่อยวางควรยึดในควรที่สิ่งที่ควรยดึดยึดคืออะไรยึดคุณงามความดียึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินเยึดคุณงามความดีแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นของไม่เทีย่ย ง, งอนิจจังโธกขังอนัตตาเนี่ยแหละสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราก็ปล่อยวางแต่การยึดคํานี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราจะยึดมั่นจนไม่ไม่แปรผันก็ไม่ใช่อันนี้เพียงพอยึดเป็นแนวทางเดีวยวนะ่ะเหมือนกับเราเออาศัยเรืออาศัยแพเท่านั้นน่ะอาศัยเรือเท่านั้น เ, เราพายเรือเข้าไปพอไปถึงฝากฝั่งแม่น้ําแล้วนะ่ะเรือเขาม่เราก็ไม่แบกขึ้นฝั่งเหมือนกันแล้วก็ทิ้งไว้ในน้ําตัวของเราก็ขึ้นฝั่งไปนี้ก็เหมือนกันคําว่ายึดคํานี้ก็คือยึด ให้เป็นแนวทางสําหรับพวกเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนะในเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะเหลือก็ไม่จําเป็นสําหรับเรานะไม่ใช่เราจะแบกเรือขึ้นไปบนบกไม่ใช่นะเราก็คิดว่าเราจะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์อกมนุษย์โลกอีกต่างหากนะพราะเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว น, นะให้เข้าสู่แดนอมตะธาตุอมตะธรรมต่อไปนี่แหละคําว่ายึดคํำนี่ก็คือยึดแนวทางแนวปฏิปทาของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนเป็นเสมือนกับมรคาเป็นหนทางเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานถึงจุดจบถึงความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละให้พวกเรายึดยึดอย่างนั้นนะแล้วก็ปล่อยวางอะไรปล่อยวางร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะไปคิดว่าลาบยศรรเสริญถูกเป็นของเรานะ มันอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแหละเห็นไหมคนที่ตายไปแล้วนะมียศขนาดไหนระดับไหนในร้อยในพันในพลในอำเภอผู้ว่าพ่อแม่ของเร า, เ, าเป็นใคร เ, เป็นที่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านคนน่ะอยู่แบบมีความสุขทั่วๆ่วไปแต่บัดนี้ั้งก็ทิ้งทาด ท, ทิ้งขันของท่าน ทิ้งร่างกายของท่านหมดแล้วแต่เราเราจะไม่ไม่ทิ้งใช่ไหมเราก็ต้องทิ้งเหมือนกับท่านนั่นแหละในเมื่อเราทิ้งนก่อนที่เราจะทิ้งเราควรควรจะคิดไว้ก่อนใช้ปัญญาพิจารณาการกลองไตรตรองตัวของเราก่อนให้ทีถ่วนซะก่อนตามแนวแถวพระพุทธเจ้าพระหานตสาวกท่านให้พิจารณาท่านว่าให้พิจารณาเน้อร่างกายสังขารกว่าดี ใจิตใจของเราก็ดีมันเป็นของอเนจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มั่นคงให้รู้แจ้งเห็นจริงนอะในสิ่งเหล่านี่นอะอันนี้คือเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนแล้วเป็นอย่างนั้นนะพะลูกพะหลานนะด้่นในพรรษาเนะี่ยให้เรายังให้ยังไงให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมไม่ได้จากนั้นก็ให้ภาวยพยายามภาวนานะให้อย่างน้อยก็ให้ได้ริมรถ แห่งความสงบสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่เอาจริงเอาจังไม่ลบไม่สงบนะใจของเราเนี่ยเพราะมันใจมันติดพบติดชาติมาเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาตินะมันมีแต่คิดปุุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดนะเพราะนั้นเราจะมาหักโหมเพียงน้อยๆมันมไม่ได้นะต้องเอาให้จริงให้จังะพอจริงจังเข้าไปแล้วพอจิตใจเข้าสู่ความสงบเน่งนะพวกเราจีได้รู้รสของพระธรรม นาทิสันติป ร, รังสุขขังนะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะเมื่อรู้รสพระธรรมแล้วนะเออเราก็มั่นใจในการประพฤติธปฏธิบัติของธรรมในหลักธรรมคําสอนของพุทธะอีกต่างหากในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกต่างหากเออเราก็ชมอชื่นชมในจิตในใจโอ้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ยท่านได้ฝึกหัดจิตใจมาอย่างนี้นะเออมีความสุขจริงฮเราก็เชื่อมั่นในตัวของเรานะั้นพาลูกพาหลานนะแต่ถ้าเรายังหาความสงบไม่ได้นะี่มันก็ดนั่นแหล ะ, ะมันเคว้งคว้างอยู่ตลอดเพอเพื่อก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอีกต่างหากทีนะี้พราะอะไรเพราะมันไม่เชื่ออยู่ในจิตใจเพราะมันไม่สนิทใจยนะ แต่เมื่อเราได้รับความสงบแล้วมันมีความสุขในจิตใจทํามันเชื่อเลยนะเนี่ยเชื่อลึกๆในจิตใจเลยลนะ่ะเชื่อมาจากต้นปึ้งของหัวใจเลยลนะ่ะมันเชื่ออย่างนั้นอนะ่ะแต่ถอนไม่ขึ้นอีกต่างหากเลยในเมื่อเราได้รับความสงบทางด้านจิตใจแล้วมันถอนไม่ขึ้นใครจะพูดอย่างไงมันก็ถอนไม่ขึ้นเชื่อในทำคําสอนของพุท ธ, ธะทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน ได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านคงจะได้รับความสงบสุขอย่างนี้เองนะท่านจึงอยู่ป่าเขาลำเนาไัยอยู่ป่าธงพงภัยอยู่น่าจะฐานที่ใดก็ได้อยู่ตามลำพังก็ได้อยู่กับคู้คนก็ได้เพราะท่านอยู่ในความสุขในจิตในใจของท่านนะี่แหละความสุขมันอยู่ในจิตใจนะานเนนืลูกหลานน ะ, ะต่อนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกขนะ์ลนี้